ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องคนตื่นข่าวทุตุพายะชาดกโดยสมณทซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบนะบัด น, นี้ค่ะ าจะรเรินทางพวกเราทุกคนนะช่วงนี้ไม่มีข่าวไหนดังเท่าข่าวมอ็อบรู้สึกว่าโอ้เมื่อวานนี่บางคนก็บอกแม่มันตึงเครียดเหลือเกินรู้สึกแล้วบอกว่าไ ม, ไม่สบายอกไม่สบายใจไอนะ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยธรรมมาว่าเออมันก็มีเหตุมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเรา รัุบันนี้ข่าวคราวอะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายนะจนบางทีเราเองเราก็พูดง่ายนะมันมันฟังจนมันมันล้นเลยก็ได้สําหรับบางคนนะะส่วนคนไหนไม่สนใจเลยก็แล้วไปเมื่อวานอนะัตอมาก็เลยมานั่งคิดๆเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบ่งคนออกไปห้า <c oughs> พวก <c oughs> เนี่ยจากจากข่าวคราวเรื่องพวกเนี้ก็เลยมานั่งนึกๆแบ่งคนออกได้เป็นห้าพวกนะเพราะ เพราะว่าข่าวสารมันออกหมดเนี่ทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรโห oh, เขาเล่นข่าวกันอุตลุดเลยน่แต่ห้าพวกนี้จีเดี๋ยวจะพวกไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องข่าวก่อนว่าข่าวทุกวันเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันแข่งกันมากเลยน่นในสื่อต่างๆแม้แต่วิทยุแม้แต่ทีวีแข่งกันจนกระทั่งบางทีเนี่ย อะไรอ่ะจะพูดว่าเหมือนกับถ้าแข่งกันดีๆก็แล้วไปนะบางทีแข่งกันแล้วเหมือนแย่งมวลชนนะเพราะเอาเขาสื่อนี่ใช่ไหมงั้นเขาก็ต้องจริงดีจริงเด่นอะไรกันมันก็เป็นแบบโลกโลกเขาแหละที่เขาก็ต้องทําเจอกันทั่งบางทีเนี่ยข่าวอะไรอ่ะไม่รอบคอบพ อ, พอไม่ละเอียดพอหรือว่าบางทีไม่รู้ละขอให้ได้ออกมาเป็นข่าวอะ่ะบางทีผิดผิดก็มีนะ บางทีอันมายังเคยได้ยินพอพอเขาอ น, น, นมาเสร็จแล้วมันก็เอา้าไม่ไม่ถูกนี่ยังไงเขาก็ต้องมาแก่ทีหลังโดยที่เสนอข่าวไปก่อนจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้เพราะแข่งกันแต่อีกพวกหนึ่งนี่เพราะเจตนาเลยก็มีอาศัยสื่ออาศัยอะไรเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะอะไรหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองพวกนี้ก็อีกพวกหนึ่ง อาตมายังเคยบอกว่าถ้าสื่อเนี่ยไม่มีจรรยาบรนสื่อเนี่ยผิดศีลข้อสี่เยอะที่สุดเป็นตัวส่อเสียดมากที่สุดในสังคมนี้เป็นตัวพูดง่ายว่าพูดง่ายว่ายัวย่วยุยัวย่วยุให้คนเขาเทะเลาะกันให้คนเขาเข้าใจผิดเก่งที่สุดวันทุกวันเนี้ยเราจะได้ยินบ่อยอะ่ะถ้าจะปฏิวัตินี่ต้องยึดสื่อไว้ก่อน ถ้าจะปฏิวัตินะแล้วก็จะสาเร็จไม่สำเร็จเนะี่ยบางทีเขาต้องยึดสื่อมาหก่อนแล้วก็ประชาชนทุกวันนี้ก็สนสนใจสื่อมากขึ้นนะไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์นะยิ่งวิทยุเนี่ยโอ้โหไปได้ไกลไปได้เร็วด้วยนะแล้วก็ทีวีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจะให้เห็นถึงว่าสื่อนี่สาคัญมากเพราะวันนี้นะตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวต้องเอาเรื่องนี้มา เอาเรื่องสือ่อนั้นโดยที่จะเอาจากที่ผู้เจ้าเนี่ยท่านตัดท่านก็ตัดในยุคในสมัยนั้นนั่นแหละแต่เห็นว่าเออมันเข้าได้น ะ, น, ะ น, นี่ก็รวมไว้ในหนังสือชาดกทันยุคนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งตั้งชื่อว่าคนตื่นข่าวคนตื่นข่าวดูกันนะนี่เขามีหัวนำว่าเมื่อสื่อสารไรพรมแดน ผู้คนในสังคมก็ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วอย่างมากมายจากทั่วสารทิศข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างแล้วแต่จริยาบันของผู้สื่อข่าวนั้นๆอันนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่ามีประโตโคสะเนี่ยคือต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นต้องอะไรต่างๆแต่ต้องฟังให้เป็นนะคุณฟังไม่เป็นเนี่ยคุณเสร็จเลย พ่าอาจมาเองเนี่ยเคยแม้แต่เนี่ยเคยไปฟังเขาไฮป้าเขาอะไรก็เคยนะปรากฏว่าไปฟังเสร็จบางทีเนี่ยถูกใจเราเราก็ชอบ่ไมไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ชอบอัน น, นี้นี่ขอแทรกก่อนนะขอแทรกเล่าเล่าอาดีตให้ฟังสมัยก่อนนะช่วงหาเสียงตอนนั้นหม่อมราชวงศ์คือิประโมดกำลังดังเลยนะ ตอนนั้นมาเป็นนักศึกษาอยู่ชอบมากดูแหละพรรู้สึกว่าว่าท่านเก่งเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วยสังคมช่วยประเทศชาติอะไรดีไงเพราะฉันใจเราเนี่ยให้ไปละเสร็จแล้วก็เลยปรากฏว่าพอใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าวันรุ่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีลงคะแนนเสียงไงปรากฏว่ามีพระชื่อดังของเมืองไทยเนี่ย ไม่ไม่บอกชื่อนะถ้าบอกไปพวกคุณก็รู้หมดเลยไม่ไม่ต้องไปออกชื่อท่านปรากฏว่ามเทศก่อนไงก่อนคืนหนึ่งปรากฏว่าเทศแล้วโอ้โหว่ายอย่างเลยนะพูดง่ายๆว่าในเชิงที่เรียก ว, ว่าถ้าใครฟังแล้วไม่อยากไปลงคะแนนเสียงให้โอ้โหเพราะนั้นพอช่วงนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยฟังแล้วไม่ชอบใจมากๆเลยแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยลำเอียงอย่างเงี้ยไม่ถูกอ่ะ เขาจะเลือกตั้งพวกนี้แล้วก็ให้ชาวบ้านเขาตัดสินใจเองสิแบบไม่ใช่ว่ายิ่งเป็นพระด้วยใช่ไหมโอ้โหเราเป็นพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนก็เคารพเยอะแยะมากมายพอกพอรเทศอย่างนี้นี่ง่ายง่ายคือคือถ้าเทศถูกใจเราเราก็ชอบนะคือเทศไม่ถูกใจเราเพราะเราก็ไม่ชอบจำได้ว่าโคกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคนนี้อาตมานะตอน น, นนะ้น น้อยไม่หลับจริงๆรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจและเหตุผลต่างๆเนี่ยมันคิดขึ้นมาเถียงได้หมดเลยท่านพูดอะไรมาท่านทอะไรมาเราก็มีเหตุผลของเราอะ่ะเออเราก็ฟังข่าวสารอะไรมาวันบอกตรงๆเลยถ้าเอาแค่เหตุผลมาเถียงกันนะไม่มีวันจบมีเหตุผลได้ด้วยกันหมดเรื่องจะจบเนี่ยมันต้องมีหลักฐานหรือมีพยานมีอะไรที่มาให้นันกันชัดเจนถึงจะจบได้ แต่ถ้าเรื่องอะไรที่ยังไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะมาป่วยง่ายเหมือนกับกฎหมายเล่นงานกันได้อะไรกันได้เนี่ยนะไม่จบหรอกคุณเขียงกันจนตายอะ่ะมันจําได้ตอนนั้นเลยโอ้ไม่ไหวนอนไม่หลับลุกขึ้นมาเขียนเลยเขียนบทความเลยเขียนเรื่องเขียนเหตุผลต่างๆ่างเขียนตำหนิท่านไปด้วย <c oughs> เขียนนะไม่ไม่ถูกต้องไม่ควรอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ประชาธิปไตยด้วยทำไมเพราะอะไรยังไงส่งเลยส่งไปที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐเพราะตอนนั้นอของทางท่านคือลิกนี่ท่านเป็นอะไรเงี่บ ก, กเป็นไอของหนังสือพิมพ์สยามรัฐก็ส่งไปเลยเขียนไปสองสาหน้ากระดาษส่งไปอ่าคราวนี้มันก็เข้าได้กับของสยามรัฐก็สิ ถ้าเข้าไม่ได้เขาคงไม่ลงให้ว่าเอ า, เอามันเข้าได้เนี่ยแล้วเราก็พูดไปมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเป็นคนไร้เหตุผลมันเขาก็ลงให้ในายหนังสือพิมพ์จได้ไม่ได้ตัดเก็บไว้เออก็ลงให้แล้วแล้วเราก็อ่านเสร็จแล้วเราก็อแล้วก็แล้วไปเราก็ได้แสดงความคเห็นของเราแต่ที่พูดเนี่ยให้เห็นถึงว่าว่าสื่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางทีสื่อที่ลำเอียงเนี่ย สื่อที่ไม่ตรงก็ก็เล่นพวกไปโดยปริยายหนีไม่พ้นเพราะว่าคนยังมีกิเลสอยู่นะหนีไม่พ้นจริงๆอันนี้โดยโดยสจัจของชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้แทรกให้ฟังว่าสื่อมันมีผลมีมีอิทธิพลจริงๆนะเสร็จแล้วก็นะในนี้เขาก็บทนำเนี่ย เ, เขียนว่าดังนั้นผู้เสพข่าวทั้งหลาย จะต้องรู้จักกรันกรองข่าวให้ดีอย่าทำตัวเป็นคนตื่นข่าวหรือหูเบาที่เชื่ออะไรง่ายๆจนต้องตกเป็นเหยื่อของข่าวนั้นๆคาว่าหูเบาเนี่ยหมายถึงว่าเราฟังอะไรข้างเดียวหรือเราฟังอะไรแล้วก็ก็รีบสรุปรีบตัดสินใจอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ไม่รอบคอบพ อ, พอ หรือบางทีเราก็บอกว่าเอ้ยเราฟังทั้งสองข้างแล้วแต่เป็นยังไงอะเราฟังด้วยใจยังไงฟังข้างที่เราชอบเราก็คิดในข้างอะไรอ่ะสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะแต่พอเราฟังไอ้ที่ข้างที่เราไม่ชอบอะเราก็ค้านไปหมดอะแย้งไปหมดอะในใจอย่างเงี้ยมันก็ต้านไปหมดไอ้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าหูเบาถึงจะฟังทั้งสองข้างอแต่ก็หูเบาเพราะว่า ฟังอีกข้างก็จริงแต่ฟังแล้วก็ไม่รับอะไรเลยนี่ขณะที่ฟังไปก็แยง้งไปค้านไปต้านไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็หูเบาเพราะว่ามันมันปากไปแล้วมันยึดแต่ไอความคิดเห็นของตัวเองนะเนี่ยก็คือลักษณะของคนหูเบาเพราะนั้นจะไม่ยอมรับอะไรของคนอื่นเลยทั้งทั้งที่ความเป็นจริงของคนเราเนี่ยทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีดีมันมีเสียอยู่ในตัวมันเองทั้งสิ้น เราเข้าใจได้นะเหตุผลของเราเนี่ยจะดียังไงเนี่ยคุณว่ามีคนต้องเสียไหมและเหตุผลเราเนี่ยต่อให้เป็นเหตุผลดีเนี่ยมีธรรมะด้วยอ๋อแต่คุณว่ามีคนต้องเสียไหมก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจะมีเกิดทั้งสองด้านนี่ตลอดมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียมีคนถูกก็ต้องมีคนผิดมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่ทั้งสองด้านแต่ถูกทั้งหมดแล้วก็ผิดทั้งหมดเป็นยังไง เป็นไ ป, นปนไม่ได้นะเพราะฉนั้นเราเข้าใจอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะไม่เป็นคนที่ตื่นข่าวง่ายๆนะเพราะนั้นลองฟังเรื่องนี้นะคนตื่นข่าว ท, ทุทุพายชาดกครั้งพุทธกาลอัญญเดรถีเดรถีนี่ไมาถึงพวกนักบวชพวกหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราเรียกว่าพวกที่รัตทิที่นอกพุทธเนี่ยเราเรียกว่าพวกเดรถี นิยมที่จะทรมานตนด้วยการนอนบนเตียงหนามบ้างเตียงรนไฟทําให้ร้อนบ้างประพฤติมิจฉาตะบะคําว่ามิจฉาตะบะนี้เข้าใจไหมมิจฉาก็คือมันปิดที่ปิดทางเนี่ยตะบะก็คืออะไรการที่จะบําเพ็ญลดละกิเลสเนี่ยก็ตั้งใจจะทําดีเนี่ยนะแต่มันผิดที่ปิดทางก็เรียกว่ามิจฉาตะบะ เพราะพวกพวกพวกนี้เขาบางทีนั่นแหละเขาคิดว่าการที่จะบรรลุธรรมหรือการที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องไปทรมานตัวเองไงใช่ไหมต้องไปอะไรอย่ายืนขาเดียวไปเหนี่ยวต้นไม้กินอาหารอย่างสุนัขหรือไม่กันเนี่ยนอนบนเตียงหนามเนี่ยไปลนไฟไปอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นความคิดที่ผิดแต่เจตนาดีนะ เจ ต, ตานาต้องการจะบรรลุธรรมต้องการจะพ้นทุกข์นะแต่มันผิดที่ปิดทางแยกแยกให้ออกนะเจ ต, ตานาดีแต่ผิดที่ปิดทางเนี่ยพวกเดละถีจะเป็นอย่างนี้นะพวกนี้ก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพระวิหารเชตวันซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ดังนั้นเหล่าภิกษุจำนวนมากด้วยกันซึ่งเที่ยวบินธบาตในนครสาวัตถี เวลาที่พากันออกไปและกลับมาอย่างพระวิหานเชตวันจึงมักพบเห็นเดียรถีเหล่านั้นเสมอๆ เ, เห็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาระแก่นสารในการถือข้อปฏิบัติของพวกอัญญาเดียรถีเหล่านี้มีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้าถามว่านี่เนี่ย เอเขาก็เจตนาดีแล้วเขาก็ตั้งใจทำทำดีในความคิดเขาอย่างนี้บอกว่าเนี่ยเนี่ยมันดีไหมเนี่ยมันมีแก่นสารมีสาระในสิ่งที่เขาทำไหม <c oughs> พระเจ้าท่านก็ตรัดตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก่นสารหรือคุณวิเศษในการประพฤติเยี่ยงนี้ของเดรถีนั้นย่อมไม่มี เพราะข้อปฏิบัติเหล่านั้นเมื่อนำมาเลือกเฟ้นตรวจตราสอบสวนดูแล้วก็จะกลายเป็นเช่นสิ่งไร้สาระศกกระปรกเต็มไปด้วยหยากเยื่อตกหล่นกองสมุมอยู่บนพื้นดินและเสมือนกระต่ายตกใจกลัวต่อเสียงกึกก้องฉะนั้นนี่เป็นคำตอบของพระเจ้าบอกว่านี่ที่ทาไปเนี่ยมันผิดที่ผิดทางอยู่แล้วแล้วมันก็ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำไปจนตายอ่ะตายแล้วตายอีกก็ไม่บรรลุธรรมแล้วท่านก็ยกตัวอย่างเปรียบว่าเนี่ยเหมือนกระตายตกใจกลัวต่อเสียงอันกึกก้องฉะนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงทูลอ้อนวอนว่าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายมิทราบถึงความไร้สาระของกระต่ายกลัวเสียงกึกก้องนั้นขอพระองค์โปรดตรัสเล่าด้วยเถิดพระศาสดา จ, จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก น, นำมาสาธกหมายถึงเอาเรื่องเนี่ยมายกตัวอย่างให้พูดง่ายให้เห็นภาพได้ได้เสียงได้ฟังเสียงคู้เจ้าตรัสใช่ไหมแล้วก็ได้จินตนาการเห็นภาพขึ้นมาเลยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือเล่าอะไรให้เขาใครฟังก็เอา VCD เอา DVD แจกเลยไปเปิดดูเพราะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเรียบร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าการสาธก พระศาสดาเนี่ยก็ทรงสาธกให้ฟังนะว่าในอดีตการณ์ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากที่นั่นเองมีพญาราชสีตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูงของเหล่าราชสีทั้งปวงอาศัยอยู่ครั้งนั้นที่ดงตาลซึ่งปะปนด้วยต้นมะตูมตั้งอยู่บริเวณใกล้ทะเลด้านทิศตะวันตกได้มีกระต่ายตัวหนึ่งพักอยู่ที่ ใต้กอตาลต้นหนึ่งวันหนึ่งกระตายตัวนั้นเที่ยวออกสแสวงหาอาหารกินอย่างเพลิดเพลินแล้วกลับมานอนพักที่ใต้ใบาตาลด้วยอาการเมาอาหารเพราะกินมากเกินจึงฟุ้งซ่านระวังนะไม่รู้ใครเคยเจอบ้างหรือเปล่าอันเนี้ยเราเรียกว่าพัตตะสัมบโทโนะ้าถ้าภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าเมาอาหาร นี่แหละกินอาหารเกินกินมากหรือว่ากินของชอบของอร่อยโอ้สภาวะปามเข้าไปเราเรียกว่าเมาอาหารเนี่ยพอกินไปแล้วมันจะฟุ้งซ่านจริงๆมันฟุ้งฟั่งตั้งแต่ก่อนกินแล้วแหละขณนะกินก็ฟุ้งซ่านอีกหมือได้กินโอ้อร่อรอร่อยมันมันฟุ้งตั้งแต่ตอนนั้นละ่ะเพราะฉั้นยิ่งกินไปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้อิ่มเลยใช่ไหมหัวหนังท้องตึงหนังตาตก มันก็ค่อยหย่อนลงมาหย่อนลงมาแล้วก็ตกเลยตอนนี้ตกเสร็จก็หลับนะพอหลับเป็นยังไงอันนี้นะจึงฟุ้งซ่านใช่ไหมเอาคนนี้คิดว่านี่ยังไม่หลับนะแต่ฟุ้งซ่านไปก่อนนะในที่นี้ธรรมดาย่อมหาอาหารกินได้ง่ายแต่ถ้าหากแผ่นดินแถวใกล้ริมทะเล น, นี้เกิดซึ้ดตัวถล่มทลายขึ้นมาเราจะไปหากินได้ที่ไหนหนอคือมันก็ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องกินน่ย คนเมาอาหารเนะี่ยมันก็คิดแต่เรื่องกินบางคนทำงานไปทำงานไปเงี้ยใจไปอยู่กับอะไรอ่ะส้มตำ <c oughs> อะไรอีกอ่ะเออนั่นแหละก็แล้วแต่นะใครเมาเรื่องอะไรทำอย่างนึงนะใจมันไปอีกอย่างหนึ่ง น, นั่นแหละก็เมาอาหารมันพอมันคิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมบอกแล้วพอได้กินเข้าไปเนี่ยก็ยังฟุ้งอยู่กับเรื่องนี้ยิ่งในสมใจนี่โห มันได้เสพมันเหมือนกับเครือบเคลมอ่ะเหมือนคนติดยาเนะเสพเคลบเคลมมีความสุขมันก็ยิ่งปูงยิ่งคิดมันก็เจ้ากระต่ายนี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยโหต้องได้กินอย่างยิ่งถึงจะมีความสุขถึงจะอร่อยอร่อยถ้าเกิดที่นี่มันเกิดเสียหายถล่มทลายไปแล้วจะไปหากินอร่อยอร่อยอย่างนี้ที่ไหนอ่าก็ตายฟุ้งไปด้วยธาตุอาหารกําเริบกระทั่งพลอยรับไปขณะนั้นเองมาตุ้มสุขผลลูก ผลโตลูกหนึ่งก็หล่นลงมาบนใบตานเสียงดังสนั่นที่ตรงนั้นโครมนะโคมใหญ่เลยก็ตายตกใจตื่นนะสะดุ้งสุดตัวความคิดแรกที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นดินถล่มแน่แล้วทำไมถึงเกิดความคิดอย่างนี้ก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะอะไรใครตอบได้คืออาตมากำลังจะเสริมจะแทรกให้ฟัง ทำไมบางทีเนี่ยเขบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเออให้บางทีตั้งตะบะหรือว่าให้นั่งทําสมาธินะหรือทําสมถะเนี่ยแหละสักห้านาที10บนาทีสิบห้นาทีก็ได้เพื่อให้จิตมันสงบสงบมันสบายสบา ย, บายนะไม่ไปฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยนอนเพื่ออะไรเพื่อหลับแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ไปอะไรมากเพราะจิตคนเราเนี่ย คุณจะตื่นหรือคุณจะหลับเนี่ยจิตมันก็ต่อเนื่องกันไปว่าไอ้นี่ก่อนก่อนหลับเนี่ยมันเมาอาหารใช่ไหมกระต่ายเ่ยก่อนหลับมันเมาอาหารมันก็คิดอยู่แต่เรื่องอาหารแล้วคุณนึกว่าคุณหลับแล้วเนี่ยมันเลิกคิดเหรอหลับแล้วคนเรายังไม่ได้เลิกคิดนะจิตยังทํางานอยู่ก็ยังคมปรุงยังคิดยังต่อไปยิ่งคนที่บอกว่าบางทีฝันไล่ฝันอะไรก็มันก็มาจากไอ้กลางวันที่คุณสะสมไว้นี่แหละ คุณสะสมอะไรไว้มันก็ไปเล่นงานตอนคืนทําไมกลางคืนถึงเล่นงานได้ที่เล่นงานได้เพราะว่ากลางวันคุณยังมีสติตื่นเต็มใช่ไหมคุณยังรู้ตัวได้เต็มที่วันคุณยังพอควบคุมบังคับจิตใจอะไรอารมณ์ต่างๆยังง่ายหน่อยแต่ตอนหลับเนี่ยสติคุณไม่เต็มละสติคือความรู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรพวกนี้มันไม่เต็มมันควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจตัวเองเนี่ยได้ไม่เก่งแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนหลับไปเนี่ยบอกแล้วไอ้ที่มันฟุ้งๆไว้ตอนกลางวันเนี่ยพอมันมาเล่นงานคุณคุณฝืนไม่ค่อยได้แล้วคุณบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงฝันลายบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่จึงฝันลายคําว่าฝันลายนี่หมายถึงว่าฝันไปกับกิเลสของตัวเองนะไม่ใช่ฝันดีก็คือโอ้ฝันได้เงินได้ทองฝันอะไรนะได้เจอพระเอกขี่ม้าขาวฝัน อะไรอะถูกไว้สบเก้าร้านเออไม่ใช่นะไอ้นั่นก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนั่นไม่ใช่ฝันดีนะคนยังเข้าใจว่าฝันดีผิดเนะ่แม้คุณฝันแบบสมใจกิเลสคุณแล้วฝันดีหรอไม่ได้ดีหรอกดีที่ไหนเหราไอ้นั่นกบฟุ้งเหมือนกันเนะี่ยฟุ้งไปตามอำ น, นาจกิเลสเขาไม่เรียกว่าฝันดีเออมีปรากฏว่าเมื่อวานอ่เหมือนกันบินดาบ มีโยมใส่บาตรอยู่คนหนึ่งปรากฏว่าใส่บาตรเสร็จแล้วก็บอกโอ้ฝันดีจังเลยบอกว่าเมื่อคือนะเนี่ยเขฝันฝันว่าเนี่ยได้ใส่บาตรสมณะชาวโสกนย์เนโอ้โเป็นแถวยาวนะเป็นแบบว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นขบวนเลยนะเป็นร้อยรูปเป็นอะไรอย่างนี้เลยแล้วมาบอกเออแสดงว่าเมื่อคืนโยมฝันดีนะคือฝันอย่างเงี้ยฝันเป็นฟุศม ได้ทำบุญทำทานได้เสียสละอย่างนี้เขาเรียกว่าฝันดีไม่ใช่ฝันอะไรแล้วถูกหวยนี่ดีเหรอสิเกาล้านยังไม่ได้เลยยังไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เลยไอ้นี่ไม่ใช่นี่มันฝันแบบโลภ ฝ, ฝันแบบฟุ้งซ่านอะไรไม่ใช่ฝันดนะีหรือบางคนเนี่ยฝันถึงคนรักโอ้ได้แต่งงานได้อะไรนี่ยังไม่ใช่ดีน ะ, ะใช่ไหมไอ้นั่นมันกามแล้ว ฝันในการฝันไปในอะไรยังไม่ยังงี้ไม่เรียกว่าฝันดีมันต้องต้องแยกให้ออกต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทรกให้ฟังเพื่อที่เราจะเนี่ยจะได้เข้าใจสัจจะเข้าใจความเป็นจริงแล้วจะได้รู้จักฝึกในการปฏิบัติ ธ, ธรรมแล้วก็ในการฝึกจิตของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากระต่ายเนี่ยทำไมถึงได้ พอไอ้ผลมาตูมนี่มันหล่นตูมลงมาใช่ไหมพอจะยินเสียงอย่างเงี้ยตกใจแล้วความคิดแรกที่เกิดขึ้นจริงๆความคิดแรกที่เกิดขึ้นเมื่อตื่นถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะเพอะบอกแล้วจริงๆเนี่ยมันคิดมาตั้งแต่ก่อนนอนแล้วว่าถ้าแผ่นดินถล่มทลายไปเราจะจะไปหากินอะไรที่ไหนยังไงใช่ไมว่าบอกแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมา มันพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็คิดเลยว่าโอ้โหฟ้าถล่มดินทลายแน่แน่จึงกระโดดหนีสุดชีวิตวิ่งไม่ยอมเหลียวหลังกลับไปดูเลยเมื่อกระต่ายตัวอื่นๆได้เห็นกระต่ายตัวนั้นวิ่งหนีมาด้วยสภาพกลัวตายสุดขีดก็พลอยตื่นเต้นเวลาคุณเห็นใครวิ่งมาด้วยโอ้โหหน้าตาตื่นนะใช่ไหมโดยภาพที่เราเห็ น, นก็อดไม่ได้มันกันนะ่ะเฮ้ มันคงจะเกิดอะไรบางอย่างเผลอๆก็เหลียวซ้ายแลขวาก่อนแหละสัญชาตญาณปกตินะเพราะนั้นก็เลยต้องถามเบรนะนี่เจ้ากลัวอะไรเสียเลือเกินจึงตกใจวิ่งหนีมาป่านนี้ก็ต่ายนั้นยังคงไม่หยุดวิ่งบุยงไงก็วิ่งต่อยนะแล้วก็ตะโกนบอกว่าพวกเจ้าอย่ามัวถามอยู่เลยรีบหนีก่อนเถอะไอ้พวกก็ต่ายนั้นก็เลยเอ้าไอ้นั่นวิ่งไปตะโกนไปอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะ่ะอยากจะถามต่อทำไงมันก็ต้องวิ่งตามวิ่งตามถามใช่ไหมก็เลยต้องวิ่งตามแล้วก็ถามอาะท่านกลัวอะไรกันแนะ่ในะเล่าให้ฟังสิก็ตายตัวนั้นก็ยังงงวิ่งอยู่นะแล้วก็ร้องตะโกนกลับมาบอกว่าแผ่นดินถล่มนะสิ <laughs> เราก็ตายทั้งหมดพอได้ยินอย่างนี้เย้แม่งก็พากันแตกตื่นตกใจเรารู้อยู่แล้วว่าพวกกระตายเนี่ย ขี้กลัวอยู่แล้วตกใจง่ายอยู่แล้วจึงวิ่งหนีภัยไปตามหลังกระต่ายตัวนั้นทันทีดังนั้นเองกระต่ายใช่ไหมจากไอ้ไม่กี่ตัววิ่งตามกันวิ่งตามกระตะโกนตะโกนตะโกนตะก น, ะกนบอกกันไปเงี้ยปากอกว่ากระต่ายร่วมพันตัวจึงร่วมกันวิ่งหนีความตายกันอึ ก, กระทึกคลึกโครงจากไม่กี่ตัวเนี่ยแหละมันก็ทยอยไปเรื่อยวิ่งตามกันไปเรื่อยนะ จนเป็นพันตัวเลยกันนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยก็ตะโกนบอกกันไปเรื่อยเราพวกกวางฝูงสุกรบัวควายแรดเสือสิงโตและขโขลงช้างอีกทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมายเมื่อได้ยินเสียงตะโกนบอกกันว่าแผ่นดินถล่มแล้วแผ่นดินถล่มแล้วตามก็พากันกลัวตายวิ่งหนีตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตของตน จนกระทั่งเนื้อที่ประมาณหนึ่งยอดสมัยก่อนเขาเรียกเป็นยอดึยอดคือเท่าไหร่อ่าหกิโลเมตรนะเนี่ยพื้นที่ประมาณหนึ่งยอดเนี่ยอัดแน่นเต็มไปด้วยการเหยียบย่าของสัตว์เดรัจฉานนาน า, นาชนิดห่วยง่ายอะ่ะเขาบอกอะไรตื่นที่น่ากลัวที่สุดที่จะเหยียบมันตายเนี่ยนะเฮ้ยคนมีหะน่ากลัวอะไร ช้างสิคนเหยียบเปนยังไงก็ไม่หนักเท่าช้างเหยียบแน่นอนใช่ไหมเพราะช้างตัวมันใหญ่อ่ะน้าหนักมันเยอะราบเลยนะโอ้โหเคยดูสารคดีเขามาฉายโอ้โหช้างมันตื่นมันวิ่งนี่บ้านเบื่ออะไรพังที่หน้าหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแล้วช้างตื่นน่ากลัวที่สุดแต่ถ้าเปรียบโดยคันนี้ใช่ไหมเปรียบโดย โดยความรู้ความสามารถที่เขาบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเหยียบกันตายนะคนจะตายเยอะแยะเนี่ยตื่นอะไรที่น่ากลัวที่สุดตื่นคนตื่นช้างกับยางเก่งมันก็แค่ขนาดนึงเนี่ยนะจะเหยียบกันตายยังไงก็ขนาดนึงแต่ตื่นคนนี่จะตายมากกว่าคนที่จะตายเนี่ยนะจำนวนคนจะตายจะมากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมัน มีความคิดมันมีอาวุธมันมีอะไรต่างๆโอ้โ oh หถ้าตื่นแล้วนี่มันอะไรก็ขวางกันไม่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือตื่นคนทั้งนั้นแหละฆ่ากันยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีปรมามันูกดจึ๊กเดียวก็ตูมเดียวก็นะโลกเป็นมย่อมๆไปเลยพี่นาดเพราะฉะนั้นตื่นคนเนี่ยทำให้คนตายมากที่สุดแต่ถ้าตื่นสัตว์ต่างๆแล้ว ถ้าไดโดเสายังอยู่นะก็ตื่นไดโดเสาน่ากลัวที่สุดอ <c oughs> เอ่อเสรษอนนี้ใช่ไหมเสียงเท้าตะกุยดินดั ง, งกึกกร้องราว์แผ่นดินถล่มทลายจริงๆตอนนั้นเอง <Thursday> พยาราชสี <stupid> พยาราชสีหมายถึงว่าคือในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าราชสีนี่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจที่สุดสัตว์อื่นๆจะกลัวนะมันเป็นไปนโดย ทำของมันเองนะนะวันพญาราชสีห์ก็คือหัวหน้าของคนที่เป็นใหญ่ทีพูดง่ายๆนะก็เป็นพญาราชสีห์ครั้นได้เห็นฝูงสัตว์แตกตื่นวิ่งหนีภัยกันมาเช่นนั้นจึงคิดว่าหากเราไม่ขวนขวายที่จะช่วยสัตว์เหล่านี้สัตว์ทั้งปวงคงจะพากันวิ่งไปตกทะเลตายเป็นแน่เห็นทีเราต้องช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้ไว้ก่อน เพราะว่ามันตื่นสัตว์อย่างเงี้ยวิ่งกันไปเหยียบกันตายด้วยแล้วก็วิ่งกันไปเนี่ยไม่มองที่มองทางเลยวิ่งไปในที่สุดมันก็ต้องลงทะเลนั่นเองด้วยจิตที่เมตตาและกรุณาจึงวิ่งล่วงหน้าไปดักอยู่ที่เชิงเขานะคือคือที่ที่จะไม่ให้ไปถึงทะเลนะด้วยพารกิากำลังมหาศาลของพญาราชสีแล้วบรรลือศีหนาถเสียงดังสนั่นวันไหวถึงสามครั้ง มัลือศีหนาถก็คือเสียงคำรามของพญาราชศรีพระพุทธเจ้าท่านก็เอามาใช้เวลาที่ท่านประกาศสัจธรรมอะไรต่างๆนะล้คนเนี่ยจะแบบว่ า, อาโอ้โหจะคร่ำเกรงนั้นจะเถียงไม่ไม่ขึ้นเลยเถียงไม่ได้เลยทั้งเหตุผลทั้งอะไรต่างๆนะเรียกว่าบรลือสีหนาถส่วนสัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าจะยินเสียงบรลือสีหนาถของราชศรีแล้วสัตว์ต่างๆที่จะกลัวเลยคนนี้ น่จะงอไปหมดอันนี้เป็นเป็นอํานาจโดยโดยอะไรอ่ะโดยธรรมชาติของราชสีที่มีพลังมีอานาจอย่างนี้เพราะเนี่ยคาํารามถึงสามครั้งเนี่พ อ, พอคํารามไปเนี่ยพูดง่าย ى, สัตว์ต่างๆก็ชะงังงงกหมดแหละหยุดกันหมดอ่ะนะก่อนที่จะเอ่ยปากเสียงดังออกไปว่าท่านทั้งหลายจงหยุดก่อนนะก่อนที่จะเกิดเหตุอะไรขึ้น สัตว์ต่างๆถูกความกลัวพญาราชสีคุกคามจึงได้ทยอยกันหยุดลงพากันยืนเกาะกันเป็นกลุ่มๆพญาราชสีค์จึงได้เข้าไปอยู่ในระหว่างฝูงสัตว์นั้นแล้วก็ถามว่าพวกท่านวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตเพื่ออะไรกันต้องถามให้ชัดเจนว่าเนี่ยวิ่งเงินอุตลุดอย่างเนี้ยเพื่ออะไรชัดเจนเป้าหมายหรือเปล่าทาไปเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อชาติหรือว่าเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อสังคมหรือเพื่ออะไรถามให้มันชัดนะเพื่อส่วนรวมจริงหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มหรืออะไรยังไงให้ชัดว่าเพื่ออะไร